วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสั่งเทศสังธรรมมาปฏิบัติธรรม เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าพะรัตนตรยัยพรัตนตรัยคืออะไรพรัตนตรัยก็คือที่พึ่งทางใจที่สูงสุดที่ดีที่สุดเป็นที่พึ่งอันเดียวของใจ ที่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถที่จะกาจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้มีพ ร, ระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ พระรัตนใจนี้มีองค์ประกอบอยู่สามองค์ด้วยกันรัตนะแปลว่าอัญญมณีอันลัมค่าใจแปลว่าสามพระรัตนใจนี้มีองค์ประกอบอยู่สามองค์ด้วยกันคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนี่คือองค์ประกอบของพระรัตนใจคือมีพระพุทธเจ้า ผู้ตัดสู้รมผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกอบด้วยพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระเจ้าได้นงทรงนำามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนและพระสังฆราชธรก็คือพระ ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่คือพระรัตนัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่จะให้ความรู้ เพื่อที่จะได้นําเอาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อความจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของผู้ที่สนใจของผู้ที่ปรารถนาความสิ้นสุดของความทุกข์ของใจพระรัตนตรันี้ก็จะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือมีพระรัตนตใจที่อยู่ภายนอกคือภายนอกใจ และภารตะนาใจที่อยู่ภายในใจภารตนาใจนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคของทางร่างกายยารักษาโรค ก, ก็มีสองแบบด้วยกันยารักษาโรคของร่างกายที่อยู่ตามร้านขายยาอยู่ตามโรงพยาบาลอันนี้เรียกว่าพัญยาภายนอกร่างกายแล้วก็ยาภายในร่างกายก็คือยาที่ คนไข้รับมาจากหมอรับมาจากร้านขายยาแล้วเอามารับประทานก็เอาเข้าไปในร่างกายยาภายนอกนี้ยังไม่สามารถรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ของร่างกายให้หายได้ฉันใดยาคือพระรัตน์ใยที่รักษาโรคใจให้หายพ้นจากความทุกข์ <c oughs> ก็ฉันนั้นพระรัณฑ์ใจที่อยู่ภายนอกนี้ ยังไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์โลกผู้ที่มีความทุกข์ใจนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ต้องเอาอยาคือพระรัตนตรัทยที่อยู่ภายนอกนี้เอาเข้าไปสู่ภายในใจให้ได้ก่อนถ้าสามารถเอาพระรัตนตรัยคือยารักษาใจนี้ให้เข้าสู่ภายในใจได้แล้ว ยาก็คือพระรัตนตรัยก็จะทำงานกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเช่นเดียวกับยาทางร่างกายร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็ต้องไปหายามารักษายามีอยู่ตามโรงพยาบาลอยู่ตามร้านขายยายาเหล่านี้ยังไม่สามารถรักษาโรคภายไข้เจ็บของคนไข้ได้จนกว่าคนไข้ จะได้รับยามาจากหมอหรือจากเภสัชกรแล้วนํามารับประทานเอาเข้าไปในร่างกายพอยาได้เข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะสามารถทําหน้าที่ของยาได้คือรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หายขาดได้เช่นเดียวกับพระรันนาตายนี้ก็เป็นเหมือนยาที่เราเรียกว่าธรรมองระศด ยารักษาโรคใจโรคของความทุกข์ใจโรคของความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ก็ดีเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดีเกิดจากการสูญเสียเกิดจากการทัดท่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก็ดีความทุกข์เหล่านี้พระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสามารถรักษา ให้หายขาดได้แต่ต้องเป็นพระรัตนใจที่อยู่ภายในใจเท่านั้นถ้าเป็นพระรัตนใจที่อยู่ภายนอกใจยังไม่สามารถที่จะมารักษาความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจจึงจําเป็นที่จะต้องน้อมเอาพระรัตนใจที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจให้ได้ เมื่อสามารถเอาเข้ามาสู่ภายในใจได้แล้วภะรัตนาใจก็จะเริ่มทำงานกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือเรื่องของภะรัตนาใจที่พวกเราถือเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็คือถือเป็นยาเป็นยารักษาโรคใจของพวกเรานั่นเองถ้าพวกเราอยากจะหายพ้นจากความทุกข์ต่างๆของใจ เราต้องน้อมเมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้วิธีที่จะน้อมเอาเข้ามาสู่ภายในใจก็คือเราจะต้องศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเราก็เอา คำสั่งคำสอนนี้มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยหมดไปตามลาดับจนในที่สุดความทุกข์ใจก็จะหมดสิ้นไปจากใจได้ ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งคำสอนที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติกันนั่นเองอดังนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีพระรัตนาใจแล้วส่วนใหญ่ยังเป็นพระรัตนาใจที่ภายนอกใจอยู่เรามีศรัทธามีความเชื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า แต่ความเชื่อความศรัทธาเหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ <c oughs> ความทุกข์ทางใจของเราหมดสิ้นไปได้เรายเพราะว่าเรายังไม่ได้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมเข้ามาสู่ภายในใจของเราเท่านั้นเองเหมือนกับยาที่เรามีศรัทธาเรามีศรัทธาในยาที่หมอเขมอมาให้กับเราให้เรามารับประทาน แต่ถ้าเรายังไม่ได้รับประทานยายาเหล่านั้นก็ยังจะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายขาดได้มเมื่อเรามีศรัทธาในหมอในยาแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องเชื่อหมอเชื่อยาหมอบอกให้เอายา น, นี้ไปรับประทานวันละสีครั้งด้วยกันครั้งละสองเม็ดหรือสัครั้งละกี่เม็ดก็ตาม เราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งเมื่อเราได้ทำตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดยาก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของเราตามที่หมอเห็นสมควรแล้วเมื่อยาได้เข้าไปสู่ร่างกายแล้วยาก็จะได้ทำหน้าที่ของยาคือรักษาโรคภายในไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หายไปได้ฉันใดา ย, ยารักษาโรคใจก็คือพระรัตนใจ คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรู้และนำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราแล้วเราก็นำเอามาปฏิบัติตามแบบฉบับของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่ปฏิบัติอย่างอย่างขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอย ไม่หยุดไม่หย่อนปฏิบัติไปจนกว่าจะเกิดผลขึ้นมาถ้าเราได้น้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนแลน้วนำอาไปปฏิบัติพอพระธรรมคำสอนได้เข้ามาสู่ในใจก็จะเริ่มทำหน้าที่ค่อยๆกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปตามลำดับเหมือนกับยาที่เข้าไปในร่างกาย ไม่ใช่พอเข้าไปปับ๊บโรค ก, ก็จะหายทันทีทันใดก็ต้องใช้เวลาให้ยาได้เริ่มทำงานพอยาได้เริ่มทำงานอาการเจ็บไข้ได้ปวดก็จะค่อยๆลดลงลดลงไปตามลาดับจนในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีในใจก็จะหายไปหมดทันใดการปฏิบัติการน้อมเอายาคือพระรัตนนาตาเข้าสู่ใจก็เป็นเช่นนั้น ไมใช่ว่าพอเราเริ่มปฏิบัติปุ๊บความทุกข์ใจทั้งหมดที่มีในใจจะหายไปทันทีทันใดยังเพราะว่ายายังไม่มีโอกาสเข้าไปในใจได้อย่างเต็มที่ยังไม่มีโอกาสได้ทํางานอย่างเต็มที่ยาก็จะทําไปตามกําลังของยาที่เข้าไปในใจของพวกเราถ้าเข้าไปได้มากก็จะทําหน้าที่ได้ได้มากรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของใจได้มากก็จะ สามารถที่จะหายได้เร็วขึ้นถ้าเข้าไปน้อยการรักษาโรคภัยของใจก็จะรักษาได้น้อยการจะรักษาให้โรคภัยหายหา ย, หายหมดไปก็ต้องใช้เวลามากขึ้นนั้นอยู่ที่เวลาอยู่ที่ปริมาณของการเอายาหรือราชนะตจเข้าสู่ใจของแต่ละผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติบางท่านก็สามารถน้อมเอาเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อเอาเข้าไปได้ก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติบางท่านไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้มากเอาได้ที่เราเล็กเทือน้อยก็ก็จะทาให้การกาจัดความทุกข์ของใจนี้หายไปได้อย่างเชื่องช้าไปตามกำลังตามเหตุตามผลของยา กับโรคถ้ายามีมากโรค ก, ก็จะหายเร็วถ้ามายามีน้อยอยาเข้าไปน้อยโรค ก, ก็จะหายได้ช้านี่จึงเป็นที่มาของที่ว่าทำไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างกันบางท่านก็หลุดพ้นได้อย่างง่ายดายรวดเร็วเพียงฟังธรรมปุ๊บเดียวก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย บางท่านก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการน้อมเอาพระรัตนาตรัยเข้ามาสู่ใจเพื่อที่จะได้ให้พระรัตนาตรัยทำหน้าที่กำจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองแต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามถ้าสามารถ น้เมื่พระรัตนตายเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าไปได้อย่างเต็มที่เมื่อพระรตนตไตสามารถเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่แล้วพระรตนตายก็จะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็จะสามารถรักษาโลกใจโือกําจัดความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้หมดอย่างนั้นไม่สําคัญว่าจะช้าหรือจะเร็ว เมือม่อรักษาโรคหายแล้วก็เหมือนกันรักษาเร็วรักษาช้าก็หายเหมือนกันข้อสำคัญจะหายหรือไม่หายนี่อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติหรือไม่ถ้าศึกษามากปฏิบัติมากโรคไัยไข้ขเจ็บของใจก็จะหายได้เร็วถ้าศึกษาปฏิบัติน้อยโรคภัยไข้เจ็บของใจก็จะหายได้ช้าถ้านั้นเองแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ เมื่อสามารถเมื่อเอาเข้าเมื่อเอายาเข้าไปในใจแล้วเอาพระรัตนาตายเข้าไปในใจแล้วจะต้องสามารถจะต้องกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนต่างกันตรงที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องของพระรัตนาตายที่เกี่ยวข้องกับสัตโลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่ยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่ได้พบหมอไม่ได้พบยาที่รู้จักวิธีรักษาโรคของใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้นั่นเองเพราะว่าหมอและยาที่จะมารักษาโรคของใจของพวกเหล่านี้นานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหรืจะมีโผล่มาสักองคหนึ่ง คือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้วิธีการรักษาโรคของใจได้ด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อหลังสังที่พระองค์ได้รักษาโรคใจเขาได้ได้แล้วของพระองค์เองได้แล้วพระองค์ก็จะเอาคําสอนเอาวิธีการรักษาโรคใจนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ผู้ถึงจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีรักษาโรคใจของตนเองได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้มาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนให้แก่สัตวโลกสัตวโลกอย่างพวกเรานี้ก็อย่าต้องจมอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะไม่มีใครสามารถที่จะรู้วิธีรักษาโรคใจของตัวเองได้ด้วยตัวเองต้องมีคนอย่างคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งคำว่านานนี้ก็เป็นระยะเวลาเป็นกลับ กับนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวเลขปัจจุบันก็อาจจะเป็นแสนล้านหมื่นล้านขึ้นไปปีนะถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสลูมาค้นพบวิธีรักษาโรคใจให้หายหมดสิ้นไปจากใจได้สักครั้งหนึ่งนละการที่เราจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดได้ยะได้ง่ายเช่นเดียวกันเรามาเกิด แต่ละครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เรามาเกิดเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานานโนนอกาสของเราอาจจะเป็นเกิดขึ้นได้สักครั้ ง, ง, อ, ยงอย่างชาตินี้ชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่เราโชคดีมหาศาลถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราได้ถูกตตรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะรักษาโรคใจหรือความทุกข์ต่ตางๆของใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. เราก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสหน้าเวลาที่เรากลับมาเกิดในในโลกนี้แต่ละครั้งว่าจะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ mm hmm. ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. เราก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่สามารถดับความทุกข์ ของใจได้ด้วยตนเองเราก็ต้องอยู่ทนทุกข์ต่อไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอแบบพบนี้ชาตินี้เท่านั้นที่เราได้มาเจอก็ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพระธรรมคาสอนนี้แหละจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปถ้าเราได้พบกับพระธรรมคาสอนนี้ก็ถือว่าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้ว เพราะว่าพระธรรมคําสอนนี้ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันแล้วก็มีผู้จดจําบันทึกเอาไว้เก็บไว้มารวบรวมไว้ในพระคัำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถเข้าศึกษาเข้าเรียนรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเราได้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือตอนนี้เราเป็นเหมือนคนไข้ตอนนี้เราโชคดีเราได้เจอหมอได้เจอยาแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเข้าหาหมอหรือหายานี่หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเข้าหาหมอหายาให้หมอวิเคราะห์โรคให้กับเราหมอก็จะได้จัดยาให้กับเราให้ถูกต้องตามโาครคภัยไข้เจ็บของเราแต่ถ้าเราไม่เข้าหาหมอไม่เข้าหายา เราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เข้าหาเราไม่คิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราไม่เข้าหาเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นสิ่งที่จําเป็นหลังจากที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่จําเป็นก็คือเราต้องมีศรัทธา มีความเชื่อในพระรัตนตรยัย<ม>เชื่อว่าพระรัตนตรัยนี้จะช่วยให้รักษาโรคความทุกข์ของใจเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้<ม><ม>พอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้เข้าหาพระรัตนตรยัยเข้าไปเพื่อรับยาจากพระรัตนตรยัยเมื่อเราได้รับยามาแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องทำหน้าที่ของคนไข้ที่ดีก็คือต้องเชื่อเชื่อฟังคำสั่งค ำ, คำสั่งของหมอ หมอสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่หมอสั่งพอเราทำตามที่หมอสั่งแล้วยาที่เข้าไปในใจของเราก็จะเริ่มทำงานทำหน้าที่กำจัดความทุกข์ต่างๆทีรยรเล็กเทีเรยรน้อยไปจนหมดสิ้นไปจากใจได้อัง น, นั้นสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระรัะตนนาตายแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีศรัทธาความเชื่อ ในพระรัตนตรัยการที่เราจะมีศรัทธาความเชื่อได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรียนรู้เรื่องราวของพระธรรมคำสอนเรียนรู้เรื่องราวของพระอริยสงสารโลกทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพอเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ ความคามรู้นี้ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวเองแลนะคคความรู้ที่ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้ที่สนใจน้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน พอเรามีความชื่อในพระรัตนตายแล้วเราก็จะได้มีฉันทะความยินดีความยินดีที่เราจะน้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติพอเรามีฉันทะความยินดีเราก็จะมีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรเวลาที่เรามียินีเรามีความยินดีกับการกระทำอะไรความขยันมันก็จะมาเองโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องคว บ, บคุมบังคับ ถ้าเราไปทำอะไรที่เราไม่ยินดีไม่ชอบนีเราจะไม่อยากทำเราจะทำยากจะไม่มีความความขยันหมั่นเพียรที่จะทำแต่ถ้าเรามีความยินดีเราชอบเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะทำนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก่จิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งจะทำให้จิตใจของพวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันก็จะทำให้เรามีความชอบแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะน้อมนำเอาคำสอนต่างๆที่พรเจ้าทรงสอนมาให้เราปฏิบัติกันนี้น้อมเอาไปปฏิบัติพอเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วธรรมะคือพระรัตนนาฏนี้ก็จะเข้ามาสู่ใจของพวกเราแล้วก็จะทำหน้าที่กาจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจตามลำดับต่อไปนี่นคือวิธีการ การที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตัยและรับประโยชน์จากพระรัตนตัยได้ก็คือเราต้องมีศรัทธาความเชื่อจากการศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะเรียนรู้รว่าพระรัตนตัยนี้มีคุณค่ากับเรามากน้อยเพียงไรพอเรารู้ว่ามีคุณค่ากับเราอย่างมหาศาลเราก็จะมีความยินดีความชอบที่จะทำตามคำสั่งคำสอน พอเรามีความชอบเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจที่แน่วแน่ต่อการต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพอเรามีการศึกษาการปฏิบัติอย่างแน่วแน่อย่างต่อเนื่องผลที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัติก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามลําดับจนปรากฏขึ้นมาเต็มไปเต็มเตี่ยมไปในหัวใจจนใจของเรานี้กลายเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์ไปในที่สุดนะ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วกับบุคคลต่างๆหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนน้อมนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิธิบาสีเพราะได้ปฏิบัติอย่างแข็งขันอย่างต่อเ น, นื่องอย่างถูกต้องผลก็คือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นขั้นๆก็ปรากฏขึ้นมา ปรากฏเป็นขั้นสี่ขั้นในการที่ขั้นเรียกว่าขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นสุดาบันขั้นที่สองเรียกว่าขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าพาาระอรหันต์ทําเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราน้อมเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคําสอนทุกประการถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมต้องเป็นผลที่ ถูกต้องตามมาถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติเราต้องมีครูมีอาจารย์จะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้จะเป็นหนังสือธรรมะต่างๆก็ได้จะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้แล้วแต่เราจะจะจะชอบแบบไหนแล้วก็เข้าหาหาครูอาจารย์แบบนั้น ถ้าเราสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกได้สามารถนำเอาคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาปฏิบัติได้มากำจัดความทุกได้เราก็สามารถใช้คําสอนจากพระไตรปิฎกมาได้หรือถ้าเราเราไม่สามารถที่จะเข้าหาหรือว่าเข้าใจในคําสอนจากพระไตรปิฎกเราอจจะต้องอาศัยพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมา สอนหรือมาอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจ่าึ้นอีกทีหนึง่งเราก็อาจจะต้องเข้าหาพระสุปฏิปโนทั้งหลายเพื่อศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติต่ตอไปแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะต้องมีครู <th ud> มีอาจารย์ <th ud> มีพระรัตนาตาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนเราถ้าเราไม่มีครูอาจารย์นี้เราก็จะหลงทางได้แล้วการปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา Iím. อันนี้คือสิ่งที่ พวกเราควรจะเรียนรู้ก็คือพระรัตนนไตว่าพระรัตนนไตคืออะไรพระรัตนนไตยก็คือผู้ที่รู้วิธีการดับความทุกข์ทางใจถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงทางใจเราก็ต้องเข้าหาพระรัตนนไตยเอาศึกษาจากพระรัตนนไตยวิธีดับความทุกข์ต่างๆว่าดับได้อย่างไรบ้างเมื่อรู้จากวิธีดับความทุกข์ทางใจแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติ พอเราปฏิบัติแล้วความทุกข์ทางใจก็จะค่อยๆหมดไปตามลำดับอย่างแน่นอนเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็จะให้ยามารับประทานเราก็เชื่อฟังหมอหมอให้รับประทานยาครั้งละกี่เม็ดวันวันละกี่เวลาเราก็ทำตามที่หมอสั่งพอเราทำตามที่หมอสั่งไปพอยาได้เข้าไปในร่างกายของเราแล้ว ยาก็จะทำหน้าที่รักษาโรคภัยของร่างกายให้หมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของพระรัตนตรตยที่เป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจของพวกเราเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีพระรัตนตไตยเหมือนกับเราจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายได้เราต้องมีหมอมียาชันใดก็ชันนั้นดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมจิตน้อมใจของเราเข้าหาพระรัตนตยกัน ย, าายึดพระัตนตรัยพระพุทธพรธรรมพะสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องพระรัตนาตรตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะขั้นต่อไปนี้เราจะมารับประทานยากันยาที่พระรัตนาตรตมอบให้กับพวกเราให้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเรายาที่เราจะเอาเข้าในใจของเราก็คือความสงบ การทำใจให้สงบที่เรียกว่าการนั่งสมาธิการทำใจให้นิ่งให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเพราะว่าเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบแล้วความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้จะหายไปหมดชั่วคราวถ้าจิตสงบเมื่อไหร่ความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดเพียงแต่ว่าจะหายไปแบบชั่วคราวชั่วในขณะที่ใจสงบเท่านั้นแต่พอหลังจากที่ออกจากสมาธิมา พอใจเริ่มคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สัมผัสกับเรื่องนั้นสัมผัสกับเรื่องนี้ความทุกข์ทางใจที่เคยมีอยู่ก็ยังจะหวนกลับมาได้แต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องมาทําดับความทุกข์ทางใจแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วค่อยค่อยไปขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือเอาความทุกข์ทางใจที่เราดับได้ชั่วคราวนี้มาแปลงให้เป็นการดับความทุกข์ทางใจอย่างถาวรด้วยการใช้ปัญญาสอนใจ ให้รู้ถึงเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้เห็นแล้วว่าเกิดจากกิเลสตัณหาถ้าเราสามารถหยุดกิเลสตัณหากําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ความทุกข์ทางใจก็จะหายหมดไปอย่างถาวรต่อไปดังนั้นเบื้องต้นนี้เรามาดับความทุกข์ทางใจด้วยการทําใจให้นิ่งใยให้สงบให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนเพราะว่าเป็น ขั้นตอนที่ง่ายกว่าขั้นตอนที่สองแล้วขั้นตอนที่สองนี้ก็ต้องรอให้ได้ขั้นตอนที่1ก่อนถึงจะสามารถไปทําขั้นตอนที่สองได้ดัง น, นั้นเราจะหนีการนั่งสมาธิไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเริ่มต้นที่ขั้นที่สอง ข, ขั้นที่1ก่อนก็คือการทําใจให้สงบด้วยการจเจริญสติควบคุมใจปลุกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐาน อารมณ์กรรมาฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยการที่เราสามารถเลือกใช้กันได้ที่นำมามาเสนอก็มีการใช้คําบริกรรมพุโทโธเป็นอารมณ์บ้างด้วยการใช้อารมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์บ้างหรือบางครั้งถ้ายังใช้ลมไม่ได้ใช้บริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนบ้างวิธีการอันนี้จะผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เมื่อใจไม่คิดใจก็จะนิง่งใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้พอใจนิง่งใจสงบเข้าสู่สมาธิแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปใจที่ร้อนรนด้วยความทุกข์ต่างๆก็จะกลายเป็นใจที่เย็นที่จะสบายที่มีความสุขที่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือความสงบความสุขที่เราจะได้จากการทําใจให้นิง่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมา ดังนั้นเบื้องตอนนี้เราไม่ต้องการที่จะไปรู้ทางปัญญาไม่ต้องการรู้เรื่องการเกิดดับของอะไรทั้งสิ้นเวลานั่งแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจแล้วใจเราจะไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้จะให้ใจเข้าสมาธิใจต้องสนใจอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวผูกใจให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นการบริการพุทโธพุทโธหรืรอการดูลมหายใจเข้าออกก็สุดแท้แต่เราจะเลือก แต่ถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่ไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทธโธได้ก็อาจจะต้องใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก่อนจะสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเราจำบทไหนได้เราก็สวดไปข้อสำคัญก็คือสวดไปเรื่อยๆถ้าจบรอบแรกก็สว ก, ก็สวดรอบที่สองต่อไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเบาจะเย็นแล้วสามารถหันมาดูลมหายใจได้หรือสามารถมาบริกรรมพุทธโธได้ เราค่อยหยุดการสวดมนตแล้วก็มาดูลมหรือมาบริกรรมพุโทโธต่อแล้วก็อยู่ไปจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบนะขณะที่นั่งมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามามีภาพเข้ามามีความอารมณ์เข้ามามีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เข้ามาก็ไม่ให้สนใจเลยให้อยู่กับกรรมาฐานเพียอย่างเดียว ปลกใจให้ติดอยู่ ก, กรรมฐานเก็ะติดอยู่ ก, กรรมฐานถ้าใช้พุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมูกหรือเหนือบริเวณฝีปาตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็เฝ้าดูตรงจุดนั้นไปเพียงจุดเดียวไม่ต้องเคลื่อนย้ายไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะการเคลื่อน ย, าอย้ายจะทําให้ใจไม่นิ่งเราต้องการให้ใจนิ่งต้องจอ่อต้องเพ่งอยู่ที่จุดเดียวถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบเราจะเกิดความสุข พอถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะใจไม่ดิ้นนะใจจะอยู่เฉยๆป้อนความสุขให้กับเราไปจนกว่ากำลังของสติจะหมดเราก็จะถอนออกมาจากสมาธิต่อไปต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันประมาณสักยี่สิบห้ายี่บหนาทีด้วยกัน เ, เวลาสาหรับการนั่งสมาธิกำหนดเด็ดหมดลงแล้ว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 คนมันจเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้ใจไปที่อื่นแล้วต่อไปเราจะมีสติมากขึ้นนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นนานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารวะหาปุราภลริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตจินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปทติตังตุงหังคิดเมวะสมิจโตสเพปุเรนตูสังปปะจันโทปนาลาสุยะถามณิโชติ ทาระโสยทัสสพิติโยวิวัชฉันตุสัพพะโรโขวินาสตุมัเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวะธนสีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตาโรธรมมวัทานเตอายุวนโนสุขัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะว่าถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุกติจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสองร้อยสิบเอ็ดท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สองร o อยเก้าสิบสามดรัตตรวีสี่สิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สี่คลับเฮาส์สานกกุฏิสองรอยสิบสองรวมทั้งหมดเจ็ดรอยเจ็ดสิบท่านค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ชาวต่างชาติก็ถามก่อนนะช่วยเอาไ mm hmm. มโครโฟนมา้ วันนี้เวลาก็หมดพอดีก็ต้องขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ